ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนาชีวิตผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังบวันนี้รั้งหนึ่งนะครับว่าผู้ใดที่ทำสามประการคือความขายันหนึ่งความกล้าหาญหนึ่งปัญญาหนึ่งเหมือนท่านผู้นั้นย่อมลงพ้นศัตรูเสียได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะลงพ้นศัตรถถูต้องอาศัยธรรมทั้งสามประการนี้ คือความขยนันความกล้าหาญและปัญญาโดยเหตุนี้นะครับขอให้คนดีทั้งหลายอย่าได้เสียกําลังใจว่าจงตั้งหน้าทําความดีต่อไปแต่ด้วยความสามารถที่ตนมีอยู่คิดถึงมหาชนให้มากคิดถึงหน้าที่ให้มากว่าเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ คนทํางานนี่มีอยู่สามจำพวกหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะกําหนึ่งถึงสามประการคนพวกที่หนึ่งอาจจะทํางานเพื่ออาชีพอย่างเดียวคนพวกที่สองทํางานเพื่อเกียรติคุณชื่อเสียงคนพวกที่สามให้ทํางานเพื่อหน้าที่ก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ถ้าจึงทําไปตามหน้าที่ และบางคนก็ทําครบทุกอย่างคือว่าในการทํางานนั้นมีได้ครบทุกอย่างคือว่าได้ทั้งอาชีพเป็นอาชีพได้เงินได้ทรัพย์มาสําหรับเลี้ยงชีพด้วยแล้วก็ได้เกียรติยศชื่อเสียงที่ดีงามด้วยแล้วก็ทําเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําแล้วก็ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่ ว, ว่าเพื่อเพื่อนร่วมสังคม เพื่อมนุษยชาติก็ เ, เห็นว่าเราเกิดมาในสังคมทุกคนก็เป็นหนี้สังคมเราต้องอาศัยทรัพยากรที่สังคมผิดขึ้นถ้าเราคิดดูว่าแต่ละวันแต่ละวันเราใช้ทรัพยากรของสังคมให้หมดสิ้นไปเท่าใจาร่กับปลาอาหารน้ำเสือ้อผ้าทุกอย่างเลยครับคิดดู เอาเองเขาแล้วกันว่าเราต้องใช้อะไรบ้างให้มันหมดเปลืองไปแต่ละวันเพราะแต่ละคนนี่ก็มีอายุอยู่บางคนก็อายุสั้นบางคนก็อายุปานกลางบางคนก็อายุยืนสมมติว่าอายุถึงหกสิบปีเนี่ยครับลองนึกดูว่าตั้งแต่เกิดมาจากคันมารดาแล้วก็เราก็เริ่มใช้ทรัพยากรของสังคมอยู่ในคันไปซ้ำไปแม่ก็ต้องกินอาหาร ต้องบำรุงรักษาร่างกายต้องบำรุงคันเตราะเด็กในคันก็ต้องอได้อสสาศัยอาหารจากแม่นั่นเองเราตั้งต่ปฏิสนธิก็แล้วกันก็ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมไปมากเท่าไหร่แต่เราไม่ได้ทำเองเท่าไหร่มนุษย์เราช่วยกันทำคนนั้นทำอย่างนั้นคนนี้ทำอย่างนี้คนโน้นทำอย่างโน้นทำหน้าที่ แล้วผลงานต่างๆของคนในสังคมมันก็มาประสานกันมาประสานกันก็กลายเป็นสังคมมนุษย์ที่พึ่งพาอาศัยกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทําอะไรให้เป็นประโยชน์แก่สังคมเราก็เกิดมารกแผ่นดินหรือว่ารกสังคมเราะว่าท่านใช้คำว่ารกโลกรกโลกคือว่าได้พานทรัพย์สินสมบัติทรัพยากรของสังคมให้หมดไปมากมาย แต่ว่าไม่ได้ทําอะไรคืนสังคมเลยเอบางคนก็ยิ่งหนักไปกว่านั้นอีกคือว่าเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนอีกนอกจากไม่ได้ทําประโยชน์แก่สังคมแล้วอย่างเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนอีกเพราะนั้นก็คนที่มีความคิดคนที่เป็นคนมีความคิดดี<ม>เขาก็ทําอะไรก็คิดถึงมาหาชน มากให้มากคิดถึงเพื่อนมนุษย์คิดถึงคนต่างๆไม่ได้คิดถึงแต่ตัวแล้วก็มีความมั่นใจว่าทำยอมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติทงแล้วก็ทำให้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทำให้ล่วงพ้นเวรภัยอะไรต่างๆล่วงพ้นสัตจูผู้คิดร้ายไปได้ ดังข้อความในเตโยธรรมชาดกในเอกนิบาทอันนี้ผมกอ็ทอบทวนนะครับที่ว่ า, าดูก่อนพยาวานนผู้ใดมีธรรมสามประการคือความขยันหนึ่งความก้าหันหนึ่งปัญญาหนึ่งเหมือนท่านนี้ผู้นั้นยอมจะล่วงพ้นศัตรูเสียได้ก็มีเรื่องย่อเรื่องย่อก็มีว่าพระพุทธเจ้าทรงปรารพ การที่พระเทวทัตขวนขวายในการทำลายพระองค์ต้องการจะทำลายพระชนม์นชีพของพระองค์ตรัสเล่าเรื่องในอดีตชาติว่าวานอนจ่าผูงตัวหนึ่งเมื่อลูกวานอนเป็นลูกของตนเป็นตัวผู้เกิดขึ้นก็จะขบอวัยวะเพศเสียทุกตัวเพราะกลัวว่าโตขึ้นจะแย่งคุมฝูงมีนางวานอนตัวหนึ่ง พอรู้ตัวว่าตั้งขันก็หนีไปอยู่เสียที่อื่นเมื่อลูกคลอดเติบโตแล้วมีกำลังวางชา ม, มากถามแม่ว่าพ่อของตนคือใครอยู่ที่ไหนพอรู้แล้วให้แม่พาไปหาแม่บอกว่าพ่อเป็นวานนโหดร้ายจะทำอันตรายชีวิตของลูกแต่ลูกวานนคือพระโพธิสัตว์ตอบแม่ว่าจะดูแลตัวเองได้ รับผิดชอบตัวเองได้แล้วก็ไปหาไปหาพ่อพ่อว่านอนเห็นลูกของตนแล้วคิดว่าเมื่อลูกเติบโตขึ้นจะไม่ยอมให้ตนคุงมครอจึงคิดจะฆ่าเสียโดยการอบกอดให้กระดูกแตกแต่เมื่อลองสมกอดดูแล้วก็รู้ได้ว่าลูกมีกำลังยิ่งกว่าไม่อาจฆ่าโดยวิธีนี้ได้จึงวางอุบาย ยืมมือผีเสื้อน้ำในสะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นนักให้ค่าลูกของตนวานอนหัวหน้าผงบอกว่าลูกรักพ่อแก่แล้วหาเจ้าเติบโตแล้วพอจะคุมผงได้พอจะตั้งเจ้าให้เป็นเจ้าผงเจ้าจงไปเก็บดอกโกมุตสองดอกโกบนสามดอกและพัดทุมห้าดอกดอกบัวสามชนิดนะครับ จักสะโนดมาทำพิธีในการรับตาแหน่งหัวนหน้ามาทำพิธีในการรับตาแหน่งหัวนหน้าพระโพธิสัตว์ไปที่สะท่ามกลางสายตาที่ห่วงใยของแม่และยาดผู้หวังดีไม่ปรีปลามลงไปได้ตรวจ ด, ดูรอบๆสะสังเกตเห็นรอยเท้าที่ลงไปแต่ไม่เห็นรอยเท้าขึ้น เสยงสันนิษฐานว่านในสระนี้น่าจะมีผีเสื้อ น, น้ำอาศัยอยู่คอยจับคนและสะที่ลงสุดสระลูกวานอนฉลาดไม่ยอมลงสุดสระกระโดดเก็บดอกบัวจับฝั่งโน้นไปฝั่งนี้จับฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นได้ดอกบัวเป็นอันมากกองไว้ทั้งสองฝั่งสระเมื่อเห็นว่าเพียงพอแล้วก็นำมากองไว้ที่เดียวรักสดหรือผีเสื้อ น, น้า เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงชมอยู่ในใจว่าผู้นี้มีปัญญาเป็นอัริยะจริงๆจึงโผล่ขึ้นจากน้ำถามเรื่องราวต่างๆทราบแล้วจึงชมเฉยว่าผู้ขยันกล้กลาและมีปัญญาอย่างท่านนี้ย่อมสามารถลงพ้นศัตรูเสียได้แล้วก็หอบดอกไม้ตามหลังพระโพธิสัตว์ไปไ่ายพ่อวานนนเห็นเหตุการณ์กลับตรงกันข้ามเช่นนั้นหัวใจวายสิน้นชีวิต พระโพธิสัตว์ได้เป็นผู้คุมฝูงตั้งแต่นั้นมาเรื่องนี้ก็มีคติธรรมน่าสนใจมากนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าผู้หวงตำแหน่งไม่อยากให้ใครมาแทนที่ตนนั้นมีอยู่ในสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงทั้งเทวดามนุษย์และเดรัจฉานเท้าสักก ะ, ะเป็นเทวดาวางแผนทำลายตะะของพวกฤาษีผู้มีตบะกล้าบ่อยๆก็ด้วยเกรงว่า ฤศีผู้นั้นตายแล้วจะไปแทนตําแหน่งของตนแต่พอไปสอบถามทราบความว่าไม่ได้หวังตําแหน่งเท่าสักกะก็เลยช่วยสนับสนุนครูอาจารย์บางคนเน้นสิทธิดเด่นขึ้นมาแทนที่จะพลอยยินดีกลับคิดทําลายหรือยืมมือคนอื่นทํำลายมีอาจารย์ของพระองค์คุริมานเป็นตัวอย่างในระยะต่อมาก็มีอยู่เสมอในโลกของเรานี้ ที่นี้ตอนนี้ก็จะขอเป็นภาพผนวกของเรื่องนี้คือว่าจะวินิจฉัยจะวินิจฉัยเรื่องฤทธิ์นะครับว่าเป็นไปได้เพียงใดมีจริงหรือไม่เป็นไปได้เพียงใดอย่างไรเรื่องนี้ท่านอาจารย์พุทธธาสพิกุูแห่งสวนโมกขพรราม อำเภอชั ย, ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องชุมนุมเรื่องสั้นของท่านพุทธทาสภิขุเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์นะครับก็ยาวพอสมควรทีนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่ท่านได้เขียนเอาไว้ หลายปีแล้วครับหลายปีแล้วทีนี้จะเลือกมาอ่านเสนอท่านผู้ฟังเป็นบางตอนนะครับเพราะว่าจะเอาทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวเพราะว่าค่อนข้างจะยาวท่านพูดเอาไว้ตั้งแต่วันที่สิบพฤศจิกายนสองพันสี่ร้อยแปดสิบนานแล้วนะครับ 2,480 แต่ว่าดูแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่ทันสมัยแลก็น่าคิดน่าสนใจน่าติดตามท่านอาจารย์พุทธทาสได้แต่ความหมายจำกัดแต่เพียงว่าเฉพาะปัจจุบันท่านด่วนหรือช่วขณะเท่านั้น เมื่อหมดอำนาจบังคับของฤทธิ์แล้วสิ่งทั้งฝวงก็กลับคืนเข้าสู่สภาพเดิมผู้มีกกำลังจิตสูง่อมแสดงฤทธิ์ได้สูงจนผู้ที่มีฤทธิ์ด้วยกันต้องหยอกแพ้เพราะมีอำนาจใจต่ำกว่าจิตเป็นธรรมชาติอันหนึง่งซึ่งเมื่อได้มีการฝึกให้ถูกวิธีของมันแล้ว ย่อมมีอำนาจมากพอที่จะครอบนำสิ่งทั้งหลายที่มีจิตใจด้วยกันได้หมดช้าง่าดุร้ายและน่าอันตรายมากถ้าเราไม่ได้ค้นพบวิธีฝึกมันแล้วก็ไม่อาจได้รับประโยชน์อะไรจากมันเลยคนแรกที่รู้จักคิดว่าชัางนี้คงฝึกได้อย่างใจ และคนพบวิธีฝึกบางอย่างในขั้นตนก็นับว่าเป็นผู้ทำสิ่งที่ยากมาแต่ผู้ที่ค้นพบเรื่องของจิตและวิธีฝึกมันโดยประการต่างๆนั้นนับว่าได้ทำสิ่งที่ยากมากกว่านั้นขึ้นไปอีกในยุคเด็กจำบันไดมีการสนใจในเรื่องจิตกันขึ้น นักกิตศาสตร์ได้พยายามทดลองโดยอาการทางจากแยกกันไปคนละสายสงสายจนในที่สุดก็ได้ลุถึงคุณสมบัติอันสูงสุดที่จิตที่เขาฝึกถึงที่สุดในแง่นั้นนั้นแล้วสามารถจะอำนวยประโยชน์ให้ได้อันจำแนกได้โดยประเภทหยาบๆคือ หนึ่งเข้าถึงธรรมชาติที่เรียกว่าทิพแล้วหาความเพลิดเพลินจากสิ่งที่เรียกว่าวิสัยทิพย์นั้นๆ 2. สองมีอำนาจบังคับทางจิตสำหรับบังคับจิตของเพื่อนสัตว์ด้วยกันเพื่อเอาผลเช่นนั้นเช่นนี้ตามความปรารถนาสามสามารถรู้เรื่องเกี่ยวกับสากลจักรวาล พอที่จะให้ตนหมดความอยากรู้อยากค้นคว้าต่อไปเราหมดความอยากรู้หมดความอยากค้นคว้าต่อไปเพราะว่าตนพอใจในความรู้นั้นๆเสียแล้วที่สามารถปรงวางสลัดออกเสียซึ่งความทุกข์ทางใจอันได้แก่ลัทธิศา ส, สนาที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ในจิตทั้งมวล นับตั้งแต่สุขในฌานสมาธิมรรคผลแด้นิพพานเป็นลำดับลำดับพวกใดดำเนินสายแห่งการค้นคว้าของเขาเข้าไปในดงรกแห่งฤธิ์ย่อมได้ผลในสองประเภทข้างตนคือข้อหนึ่งข้อสองพวกที่ดำเนินไปเพื่อฟันฝ่ารกชัดแห่งตันหา อันเป็นก้อนหินหนักแห่งชีวิตก็ได้ผลประเภทสางคือข้อสามข้อสี่พวกแรกคือพวกริ์พวกลังคือศีลธรรมและปรัชญาในทางจิตทั้งสองประเภทนี้เป็นที่นิยมของมหาชนอย่างคู่เคียงกันมาในยุคที่ความนิยมในทางจิตศาสตร์ยังปกคลุมดินแดน อันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งวิชานี้คือชมพูเทวิปหรืออินเดียโบราณมหาชนในถิ่นนั้นต่างได้รับผลสมประสงค์ทั้งฝ่ายฤทธิ์และฝ่ายพ้นทุกข์ของจิตแต่ในที่นี้จะได้กล่าวเฉพาะเรื่องฤทธิ์อย่างเดียวงดเกื่อนของความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นอีกเครื่องหนึ่งเสีย ผู้ที่ฝึกใจตามวิธีที่คนคว้าและสั่งสอนสืบๆกันมาหลายชั่วอายุคนได้ถึงขีดสุดอย่างถูกต้องแล้วสามารถบังคับใจตนเองให้เป็นเช่นนั้นเช่นนี้อันเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่รนรสสัมผัสและความรู้สึกในใจอันเกิดขึ้นจากรูปเสียงเป็นตนนั้นนั้นแล้ว วิธีที่จะส่งกระแสจิตนั้นๆไปครอบนำจิตผู้อื่นให้ผู้อื่นรู้สึกเช่นนั้นบ้างในทางรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นทุกประการผู้ที่มีกำลังจิตอ่อนกว่าทุกๆคนแม้จะมีจำนวนมากมายเท่าใดก็จะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกันหมดเพราะว่าใจของเขาถูกอำนาจจิต ของผู้ที่ส่งมาครอบนาเขาไว้ครอบนาเหมือนกันหมดทุกๆคนจึงได้เห็นหรือได้กินได้ตรงตรงกันหมดเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมบ้านเมืองที่งดงามตามแต่ผู้ออกฤทธิ์ได้สร้างนโนคติขึ้นในใจของเขาแล้วส่งมาครอบนำอำนาจครอบนำอันนี้ เป็นไปแนบเนียนสนิทสนมผู้ที่ถูกครอบงำไม่มีโอกาสรู้สึกตัวในเวลานั้นว่าถูกครอบงำทางจิงแตและสิ่งที่รู้สึกนั้นไม่ใช่ของจริงเมื่อเรานอนหลับและกำลังฝันอยู่เราไม่อาจรู้ตัวว่าเราฝันทุกอย่างเป็นเรื่องจริงไปหมดจนกว่าเราจะตื่นขึ้น ในฝันนั้นเรากลัวจริงโกรธจริงตำหนัดจริงฉันใดในขณะที่เราถูกครอบงำด้วยอำนาจริตก็จะรู้สึกเป็นเช่นนั้นจริงๆทุกอย่างฉันนั้นผู้ออกฤทธิ์บางคนสามารถออกอำนาจบังคับเฉพาะคนยกเว้นให้บางคน คนในหมู่นั้นแม่นั่งอยู่พร้อมกันในที่เดียวกันจึงเห็นต่างกัดดังเราจะได้ยินในตอนที่เกี่ยวกับพระศัสดาทรมานคนบางคนที่ข้าไปเฝ้าพระองค์ในที่ประชุมใหญ่และพระองค์ทรงบันดาลด้วยอิทธาพิสังขารเฉพาะพูนนั้นให้เห็นหรือได้ยินอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อทําลายทิฏฐิหรือมานะ บางอย่างของเขาเสียตรงนี้ผมผู้พูดในที่นี้นะครับถ้าขอเล่าเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างเช่นตอนที่พระองค์ทรงในรตรภาพของหญิงงามให้ปรากฏต่อหน้าของพระนางรูปนันธาและพระนางเขมาก็เป็นพระนางผู้ไหลในรูปของตนมาก พรปรากฏเป็นผู้หญิงที่สวยมากเมื่อพระนางได้ไปฟังธรรมก็ทรงบันดาลด้วยอิทถาพิสังขัดโดยริษให้มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวยมากกว่าพระนางรูปนันทาแล้วก็ให้พระนางเห็นแต่ผู้เดียวผู้หญิงก็ไม่เห็นพระนางดูรูปของที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตแถว ก็มองดูตัวก็รู้สึกว่าเปรียบไปก็เหมือนนางหงกับนางกาที่รูปนิรมิตของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับนางหงแล้วก็ตัวของตัวเองนั้นเหมือนกับนางกาก็ได้ความรู้สึกสลดความทันงตนในความงามก็ลดลง หลังจากนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบวรจิตของพระนางแลว้วก็บันดาลให้ผู้หญิงเนรมิตคนนั้นค่อยๆแก่ลงทีละน้อยจนถึงกับผมงอกฟันหักหลังโกงแล้วก็เจ็บป่วยบันดาลให้เป็นหญิงเจ็บป่วยนอนควนครวญครางอยู่ แล้วก็ตายตายไปในที่นั้นพระนางรูปนันธาได้มองเห็นเหตุการณ์จยางนั้นก็เกิดความสังเวชสลดใจพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระนางรูปนันธาสังเวชสลดใจเต็มที่แล้วก็ได้ตรัสพระพุทธโอวาทว่ารูปนันธา รูปนี้เป็นชั้นใดรูปของเธอเขาเป็นชั้นนั้นรูปของเธอเป็นชั้นใดรูปนี้ก็เป็นชั้นนั้นทำนองนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าพระนางรูปนันทาก็ได้สำเร็จมรรคผลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงอิทธาภิสังขารแล้วก็ เรื่องพระองค์คุริมานหรือโจรองค์คุริมานก็เหมือนกันพระเจ้าก็ส่งแสดงฤทธิ์ให้เห็นเป็นเดินอยู่แล้วองค์คุริมานจนองค์คุริมานก็วิ่งตามวิ่งตามเอาวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเพราะว่าเป็นภาพที่แสดงเป็นภาพที่แสดงให้ปรากฏขึ้นให้ปรากฏแก่องคุริมานแล้วก็ ต่อไปข้างหน้านี้ก็จะมีนะครับจะมีท่านก็กล่าวถึงอะไรหลายอย่างที่เราน่าสนใจเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมก็ได้ดูรายการทีวีเกี่ยวกับทางศาสนามีท่านวิทยากรท่านหนึ่งได้เล่าถึงเรื่องนักเล่นกลชาวอเมริกันแต่ว่าเป็นชาวอะไรผมจำไม่ได้แม่นนะครับแต่ว่าเล่นกลเก่งมาก สามารถจะทำอะไรให้หายไปได้กับผูกตาแล้วเอาผ้าไปคลุมรถยนต์แล้วก็พอเปิดขึ้นมารถยนต์ก็หายไปทั้งคันคนดูก็ได้เห็นว่ารถยนต์หายไปทั้งคันจนถึงกับเทพีสันติภาพของอเมริก า, าเขาทำให้หายไปได้ให้หายไปได้ด้วยการเล่นกฎมันพระพุทธเจ้าท่านจริง ไม่สันเริญในอิทธิพาติหารหรือว่าอาเทศนาปาฏิหารท่านบอกว่านักเล่นกลก็ทำได้อะไรทำหองนี้ผมขอพูดต่อไปนะครับขอท่านอาจารย์พุทธทาสได้เขียนไว้ต่อไปว่าเมื่อผู้ที่ทำการต่อสู้กัน่างก็มีฤทธิ์ด้วยกันนั่นย่อมจะแล้วแต่อำนาจจิตของใครจะสูงกว่า หรือมีกำลังแรงกว่าเมื่อผู้มีฤทธิ์ฝ่ายหนึ่งได้บันดาลให้ทุกๆคนในที่นั้นเห็นภาพอันน่ากลัวมาคุกคามอยู่ตรงหน้าเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วถ้ า, าอีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจจิตสูงกว่าก็าอาจรวบรวมกำลังจิตของตนเพิกถอนภาพอันเกิดจากอำนาจฤทธิ์ของฝ่ายแรก กวาดให้เกลี้ยงไปเสียจากสนามเห็นวิญญาณแล้วบรรดาภาพอันน่ากลัวซึ่งเป็นฝ่ายของตนขึ้นมาคุกคามบ้างแม้ว่าในขณะที่คนนั้นัๆถูกอำนาจริตครอบนำอยู่และเขาไม่อาจทราบว่านั่นเป็นกำลังริษ ด, ดุดตกอยู่ในขณะแห่งความฝันก็ดีเขายังได้รับ การศึกษาและความเชื่อมาก่อนแล้วว่ามีวิธีที่จะต่อสู้ต้านฐานซึ่งเป็นการเพิกถอนริทของฝ่ายหนึ่งเช่นนั้นเช่นนั้นด้วยถึยงโต้ตอบกันไปมาจนกว่าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสิ้นริทลงในรายที่ไม่ได้ทำการต่อสู้ประหัรประหารกันโดยจรง แต่ต่อสู้เพื่อแข่งขันชิงเกียรติยศอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกเอาความเลื่อมใสของมหาชนมาสู่พวกของตัวนั้นก็ทำนองเดียวกันคือมีการต้านทานเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงฤทธิ์ของเขาได้สมหมายซึ่งถ้าหาการต้านทานนั้นสำเร็จฝ่ายโน้ตก็แพ้ แผ่ต้นมือถ้าต้านทานไม่สำเร็จก็ต้องหาอุบายกวาดล้างอำนาจฤทธิ์ในเมื่อฝ่ายหนึ่งได้ส่งมาแล้วซึ่งถ้ายัางทำไม่ได้อีกตนก็ตกเป็นฝ่ายแพ้ฤทธิ์ของผู้ที่มีดวงใจบริสุทธิ์เป็นอริยะบุคคลย่อมมีกำลังสูงและหนักแน่นยั่งยืดกว่าของฝ่าย ฝ่ายที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นธรรมดาเพรเห็นว่าจิตของผู้มีกิเลสถูกกิเลสตัดทอนเสียตอนหนึ่งแล้วยังอาจที่จะงอนแงนคลอนเคลนได้ในเมื่ออิทธารม่มหรืออนิถาร่มมากระทบในขณะที่ต่อสู้กันนั้นอีกประการหนึ่งผู้ไม่มีกิเลสย่อมไม่ทําเพราะเห็นเจดตัวความเชื่อและอื่นๆซึ่งเป็นดุเสเบียงอาหาร ของฤิมากกว่ายอมได้เปรียบในข้อนี้ในรายที่ไม่มีการต่อสู้กันเป็นเพียงการทรมานผู้ที่มีกำลังใจอ่อนกว่าแต่มีมานะหรือความเกละด้่างเพราะเหตุบางอย่างยอมเป็นการง่ายกว่าชนิดที่ต่อสู้กันคนธรรมดาสตรีเด็กๆเพียงแต่อานาจสะกดจิตชันดำัำซึ่งยังมีเหลือ ออกมาถึงสมัยปัจจุบันนี้บ้างก็อาจจะเป็นอำนาจครอบนำให้ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้สแสดงนั้นได้เสียแล้วแม้ว่าสมัยนี้จะเป็นสมัยที่ไม่ค่อยมีใครเชื่อในเรื่องนี้และทางผู้ฝึกก็ไม่ได้เป็นนักในเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังไม่ได้เป็นนักก็คือไม่ได้เป็นนักนักเลงหรือว่านักดนตรีนัก นักร้องนักทำว่านักก็คือพวกที่ทำอะไรบ่อยๆนะครับทำมากๆก็ในสมัยโบราณคนทุกคนเชื่อในเรื่องฤทธิ์และก็มีผู้ฝึกผู้ที่ฝึกก็ฝึกอย่างเอาจริงเอาจังเรื่องของฤทธิ์จึงเป็นเรื่องที่แนบเนียนแล้วก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงได้อย่างเต็มที่ในสมัยนั้นความที่ทุกคนเชื่อก็ดีความที่ผู้ฝึก เองก็เชื่อแล้วก็ตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีก็ดีล้วนแต่เป็นสิ่งส่งเสริมในเรื่องฤทธิ์ให้เป็นเรื่องจริงเรื่องจังยิ่งขึ้นไปอีกประวัติกล่าวได้ว่าในยุคโบราณยุคหนึ่งความเชื่อในเรื่องนี้มีเต็มร้อยเปอร์เซนต์ยิทธิพลในเรื่องฤทธิ์จึงมีได้เต็มร้อยเปอร์เซน์เขามันถูกฟ้าถูกตัวเกะ ก, กัน คันมาบัดนี้ทางความเชื่อและการฝึกฝนมีเหลือน้อยไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ยการเป็นเรื่องเหลวไหลเสียเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บางทีมีแต่ตัวไม่มีฝาบางทีมีฝาแต่ไม่มีตัวต่างฝ่ายต่างก็คิดเก็บเก็บเลยทิ้งให้ค่อยหายสาบสูญไป ความยั่วยจวนอันเกิดจากฝีมือของนักวิทยาศาสตร์แผนปัจจุบันกำลังมีที่พลนมากขึ้นมากขึ้นในอันที่จะให้จิตของคนเราตกต่ำอ่อนแอต่อการที่จะบังคับตัวเองให้ว่างปลุกเพื่อเป็นบาดฐานของฤทธิ์ได้เมื่อว่างผู้แสดงฤทธิ์ได้นานเข้าความเชื่อในเรื่องนี้ก็สาบสู์ไป ทางของผู้ที่จะฝึกและผู้ที่จะดูบัดนี้ขอย้อนกลับไปหาเรื่องของการฝึกเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนี้ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นขึ้นมาฝึกกันผู้ที่จะฝึกในเรื่องฤทธิ์ต้องเป็นผู้มีใจเป็นสมาธิง่ายกว่าคนธรรมดาราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสาธารณะสำหรับคนทั่วไป แม่ผู้ที่เชื่อและตั้งใจฝึกจริงๆถึงฝึกสมาธิได้แล้วท่านกล่าวว่าร้อยคนทันคนจึงจะมีสักคนหนึ่งที่จะขยิบตัวเองขึ้นไปจนถึงกับแสดงฤทธิ์ได้การปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจหลุดพ้นไปจากทุกข์อีกที่เป็นสาธารณะมากกว่า คนบางประเภทหลุดพ้นจากทุกได้ด้วยผลที่แวดล้อมเหมาะสมปรุงความคิดให้ตกไปในแนวแห่งความเบื่อนหน่ายแค่ปล่อยวางได้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิเลยจึงกล่าวย้ำเพื่อกันความสงสัยอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับคนธรรมดาเราเราการฝึกเพื่อพระนิพพานเป็นของง่ายกว่า ที่จะฝึกในเรื่องฤทธิ์ให้ได้ถึงที่สุดยิ่งถ้าจะฝึกเพื่อทั้งฤทธิ์และพระนิพพานทั้งสองอย่างด้วยแล้วก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกในหมู่พระอ า, าราน์ก็ยังมีแบ่งกันว่ามีประเภทสุขวิปัสสกคือและประเภทอภิญญาคือแสดงฤทธิ์ไม่ได้และก็แสดงฤทธิ์ได้